นะโมตัสสะภะควะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธะสากรร ม, มุนาวตติโลกโ ต, ติอ่กลาขอโอกาสท่านพระอาจารย์พระมหาเกะเนี่ยที่และก็เจริญพรท่านประธานตลอดถึงเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการผู้จัดงานชุมนุมสริราชทุกท่านและก็เจริญพรญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรม ท, ท, ท, ท, ทุกทุกคนทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการจัดงานชุมนุมวันที่สองวันที่สาการจัดงานชุมนุมพุทธธรรมสริราชเพื่อเป็นการฉลองพุทธชยันตี มาลำลึกนึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาลำลึกนึกถึงองค์พระสมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าที่ว่าพระองคอ์ต่อสู้กับกิเลสมาหลายภพหลายชาติสร้างบารมีมาเพื่อจุดประสงค์สามประการที่พระพุทธเจ้าของเราเสั่งสมบุญบารมีมาก็คือหนึ่ง โลกัตถจริยาทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติตลอดถึงสับปะสัตว์ทั้งหลายให้ได้รู้ได้เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นแก่นสารคือให้เข้าใจสัตว์จะทำตามความเป็นจริงของโลกว่าโลกเป็นไปอย่างไรโลกประกอบด้วยอะไรบ้างออการเกิดขึ้นของโลกเป็นยังไงและโลกไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ คำว่าโลกในที่นี้ก็คือสัตว์โลกของเราเนี่ยเป็นไปอย่างไรเกิดขึ้นเพราะอะไรและเป็นไปอย่างไรจบสุดท้ายด้วยอะไรนพะพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อให้ประโยชน์แก่สัตว์โลกเนี่ยสองยาติถะจริยาทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธญาติเพราะว่าเวลาพระองค์สร้างบารมีถ้าใครอ่านในชาดกหรือฟังเทศ เรื่องชาดกเรื่องทศชาติโดยเฉพาะเรื่องพระเวสสันดรจะเห็นว่าการสร้างบา ร, รมีของพระองค์นั้นกระทบกระเทือนต่อพระพยุรยิยะเป็นอย่างมากยิ่งพระพยุรยาิาะท่านใดอยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะพระบิดาพระมารดาภรรยาบุตรทดาจะ ก, กระทบกระเทือนเพราะว่าพระองค์จะต้องอาศัยบุคคลเหล่านี้ในการสร้างบา ร, รมีเช่นสละทรัพย์ ก็กระทบกระเทือนถึงญาติถึงครอบครัวสละบุตรภรยาสามบุตรภรยาก็กระทบกระเทือนถึงบุตรถึงภรยาสละ อ, อวัยวะในร่างกายของตนเองก็ทําให้ร่างกายนั้นทุกพลภาพไปการที่จะประกอบกิจเพื่อเลี้ยงครอบครัวก็ลําบากและก็โดยเฉพาะการสละชีวิตอันเป็น การสละที่ยิ่งใหญ่นั้นก็กระทบกระเทือนใจของบุคคลในครอบครัวตลอดถึงวงสาคณญญาตเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นพระองค์สร้างบารมีก็เพื่อให้สําเร็จยาตัทถจริยาเพื่อประโยชน์โปรดพระปยุรญาตให้ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระองค์และก็อันที่สาพุทธัทธจริยาการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อความดีงามหรือความสําเร็จ ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งทำให้พระองค์สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในขอบข่ายที่พระองค์จะทำได้การบำเพ็ญพุทธกิจที่จะ อ, อบรมสั่งสอนอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหรือการบัญญัติศิกขาบทเนี่ยพระพุทธเจ้าบางทีไม่มีใครสามารถทำได้ไม่มีใครสามารถทำแทนได้กิจบางสิ่งบางอย่าง เป็นกิจของพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสาวกก็ทําแทนไม่ได้เช่นการบัญญัติสิขาบทการแสดงปฏิหารบางอย่างเนี่ยไม่มีใครสามารถอาสาพระสาวกองไหนอาสาแทนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าโดยตรงนั้นน่การสร้างบารมีมาเนี่ยเพื่อฐานะความเป็นพระพุทธเจ้านันเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ย สร้างบารมีสร้างคุณความดีมาเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษเพื่อให้ได้ความสามารถพิเศษที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยอำนาจของตนเองได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงได้ด้วยเต็มที่ฉะนั้นพอพระองค์ตรัสรู้แล้วนะ่ะจึงได้ความความสามารถพิเศษในการบำเพ็ญพุทธกิจหประการพระองค์ได้ทำได้ตลอดหนึ่งปุปุพันเหปินตปาตัญจกัก เวลาเช้าเสด็จบินธบาติไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆเวลาเช้าพระเจ้าต้องเสด็จบินธบาติโปรดสัตว์ไม่ว่าจะเจ็บป่วยจะไข้ยอย่างไรไปไปได้ด้วยอํานาจ อ, อิสราภาพของพระองค์เองอไม่ติดขัดสิ่งใดๆตื่นเช้ามาเนี่ยบินธบาติสองสายสายยันเหตธรรมเทสนังเวลาเย็น ก็จะแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัททั้งหลายาที่มาประชุมฟังธรรมนธรรมสภ า, าคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นประจำพระพุทธเจ้าไปที่ไหนก็จะแสดงธรรมมีธรรมสภ า, าแสดงธรรมแก่พุทธบริษัท ส, สี่พิสุพิสุนีวบาสกอบาสิกาที่มีฉันทะในการฟังธรรมก็จะไปประชุมกันเวลาเยน็นส ปะโทเสพคุโอวาทางังพออุบาสกอุบาสิกาหรือบริษัทเหล่าอื่นกลับไปแล้วก็จะทรงเรียกพระสาวกที่อยู่ในสถานที่นั้นมามาแนะนำะมาปรับความเข้าใจเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาหรือเือเรื่องการดำเนินชีวิตของพรหมจรรย์ว่าควรทำอย่างไรถึงจะให้เกิดความดีงาม แก่ตนเองและเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั้งหลายได้ทำยังไงถึงจะประกาศพระศาสนาให้ดีได้เนี่ยทรงเรียกม า, ามาปรับความเข้าใจอาพออบรมพิสุเสร็จแล้วพิสุกลับลากลับไปพักไปบำเพ็ญเพียรหรือไปพักผ่อนแล้วพระองค์ก็จะทำกิจนะบางอย่างเล็กน้อยพอถึงเที่ยงคืนนะทำกิจข้อที่สี่ อัทธรเตเทวปัหนหังพอถึงเที่ยงคืนเทวดาทั้งหลายก็จะมากราบทูลถามปัญหาต่างๆเพราะว่าเทวดาในใจไม่มากลางวันจะไม่มาเวลาอื่นเพราะว่าถ้าเวลาไหนเนี่ยคนพลุกพลานเทวดาจะมีกลิ่นได้รับกลิ่นของมนุษย์นไกลถึงร้อยโยอดกลิ่นของมนุษย์ก็จะฟุ้งไปกระทบคา น, นาประสาทของเทวดาเทวดาจะไม่มา ก็จะมาตอนเที่ยงคืนมาโต้อตอบปัญหาเช่นในเรื่องของม ง, มงคลสูตรเนี่ยเทวดาก็มาถามพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนว่าอะไรเป็นมงค์นพวกเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะส่งส่งเทวดาตนหนึ่งมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าตอนเที่ยงคืนนั้นเวลาเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็จะตอบปัญหาเทวดาพอตอบปัญหาเทวดาเสร็จก็เสด็จ เดิจนจงกรมบ้างภาวนาบ้างาเปลี่ยนอเรียบทพอถึงเวลาใกล้รุ่งเวล า, าตีสามตีสี่พระองค์ก็จะเสด็จเดินจงกรมไปด้วยพิจารณาดูสัตว์โลกาจากพระองค์ไปจากรอบบริเวณพระองค์ประทับอยู่ไปจนถึงขอบจักรวาลพิจารณาจากขอบปากจักรวาลมาจนถึงที่พระองค์ประทับอยู่ ว่าบุคคลไหนที่จะสมควรปโปรดได้สมบุคคลไหนมีอุปนิสัยสมควรไ ป, ปโปรดนะเรียกว่าปะทูปะโทปัจจูเสวะคาเตกาเลพภาพภเพวิโลกนังพิจารณาดูสัตว์โลกว่าบุคคลไหนที่สมควรปโปรดบุคคลไหนที่ไม่สมควรปโปรดถ้าเห็นว่าคนไหนสมควรปโปรดแม้แต่ระยะเวลาไกลแสนไกลไปลําบากอย่างไร หรือมีปัญหาอุปสรรคมากมายอย่างไรพระองค์ต้องเสด็จไปให้ได้และต้องทํากิจนั้นสําเร็จลงจนได้ที่เรียกว่าอํานาจความเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่ า, าพุทธถจริยาบําเพ็ญประโยชน์เพื่อให้การทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยยากแสนยากดังที่เมื่อวานเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาพนอมก็ได้ บรรยายให้ฟังไปแล้วเรื่องความยากลําบากในการสร้างบารมีว่ากว่าจะได้เนี่ยมันยากขนาดไหนต้องทําอย่างไรบ้างหลายท่านที่มาฟังเมื่อวานก็คงจะได้รับฟังไปแล้วใครที่ยังไม่ได้มาเมื่อวานก็รอฟังปีหน้าต่อไปก็แล้วกัน <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานให้มาแล้วไม่มาไหนจะมารอมาฟังวันนี้แล้วชุบมือเปิดไปไม่ได้ เดี๋ยวก็จะเท้าความให้ฟังว่าการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งต้องบำเพ็ญบารมี30มสิบทักคือบารมีสิบอย่างบำเพ็ญให้ครบสามระดับระดับธรรมดาเรียกว่าบารมีธรรมดาระดับกลางเรียกว่าโอปปะบารมีและก็ระดับสูงสุดเรียกว่าปารมัตถบารมี เป็นปรมัทบารมีบารมีสูงสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสั่งสมบารมีเป็นเวลาช้านานและก็ด้วยการมหาบริจาคทั้ง5้าเป็นหลักอย่างที่ว่าไปแล้วธนะปริจาคสละทรัพสมบัติต่างๆทรัพย์สิงสริคารที่มีอยู่ที่สามารถสละได้ ตลอดถึงความเป็นเอกราชความเป็นพระเจ้าแผ่นดินความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยสามารถสละได้กอว่านบริจาคคือสละทรัพย์ภายนอกตัว 2. ปุตตะบริจาค บ, บริจาคบุตรธิดาลูกหลานบริจาคลูกชายลูกหญิงเนี่ยให้เป็นทานแก่บุคคลอื่นทั้งที่เป็นเป็นอยู่ทั้งที่รักแสนรักไม่ใช่ว่าไม่รักไม่อยากได้สละไม่ใช่ บริจาคในขณะที่ว่ารักแสรนรักห่วงแสนห่วงเหมือนกับเรารักลูกของเราเราไม่ยอมให้ใครแตะต้องที่จะที่จะทาให้ลูกเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ยอมแต่ว่าพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องยอมสละถึงเขาจะเอาไปทําอะไรก็ตามเอาไปฆ่าอเอาไปเป็นคนรับใช้เหมือนกับกัญหากัญหาชาลีเนี่ยชูชกขอไปเป็นคนรับใช้ก็ต้องให้ไปที่สลับุตร ที่ดาให้เป็นฐานสภรยาปริจากคะสละภรยาที่ยังรักยังห่วงก็ลดสละได้เป็นเราไม่ได้บอกว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียภรยาให้ใครเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียสามีให้ใครในนี่สําหรับเราแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องสละได้ภรยาทั้งที่รักที่ห่วงก็ต้องสละกสอังค์ปริจาคะ ยอมสละอวัยวะในร่างกายที่เป็นที่รักยิ่งไม่มีอะไรรักอย่างบุตรภรรยาสามีหรือทรัพย์ภายนอกเป็นสิ่งภายนอกซึ่งเราอาจจะสละได้ง่ายแต่ว่าอวัยวะภายในของเราเนี่ยเรามีตาเราก็ห่วงตาห่วงไม่ยอมอให้ใครมาแตะต้องทะนุถนอมอเพื่อให้ตาเราเนี่ยใช้ได้ตลอดมีหูก็ต้องห่วงหูมีจมกูกมีลิ้นมีกาย มีอวัยวะส่วนใดเราก็พยายามประคับประคองพยายามประคบประงมพยายามรักษาให้มันยืนอยู่เพื่อให้ชีวิตเราดําเนินไปได้โดยดีถ้าไหนมันบกพร่องเราก็พยายามไปหาหมอหายามารักษาพยาบาลถ้ามันบกพร่องไปแล้วชีวิตของเราก็จะสูญเสียในการที่จะใช้ในการที่จะดําเนินชีวิตโดยอาศัยสิ่งนั้นไปแต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสละได้ ทั้งที่ยังดีๆอยู่ไม่ใช่ว่าเสียแล้วสละหรือไม่ต้องรอให้ตายแล้วสละสละที่เป็น็ น, นี่แหละดวงตาก็ควักให้มีอวัยวะส่วนไหนใครขอก็ตัดให้เนี่ยเรียกว่าอังคปริจารค์ก็ยาก 5. ชีวิตตะปริจาค์สละชีวิตให้เป็นทานเป็นการสละที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่าชีวิตแล้วทรัพสมบัติเป็นแสนล้านโกรดล้าน จะมีคุณค่าก็ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่มีคุณค่าสำหรับเราอีกต่อไปแล้วฉะนั้นการสละชีวิตนึ่งเหมือนกันสละทุกสิ่งทุกอย่างสละทั้งหมดเลยทรัพย์ก็สละบุตรภรยาสามีอวัยวะต่างๆก็ถือว่าเป็นการสละหมดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราถ้าชีวิตไม่มีแล้วก็หาไม่ นี่เราจะเห็นว่าการเป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยยากขนาดไหนต้องบำเพ็ญบารมีด้วยการมหาบริจาคทั้งห้ า, าเพื่อให้สําเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้นี่ก็จะท้าความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีหลายประเภทด้วยกันแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆสประเภทก็คือพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธะที่บำเพ็ญบารมีมากด้วยความเพียรใช้ความเพียร เป็นเหตุนำความเพียรเป็นประธานบำเพ็ญบารมีปรนับรวมกันแล้วได้8ปสิบอสงไขยพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาทิกะเนี่ยนับบารมีได้80ดสิอสงไขยตั้งแต่ยังไม่ได้ประกาศบอกใครเนี่ยบำเพ็ญมาแล้ว28สอสงไขย8สอสงไขยเนี่ยบำเพ็ญมาพอเริ่มมั่นใจแล้ว ประกาศบอกแก่คนทั้งหลายว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีถึง36อสงไขยนี่ยังไม่มั่นคงยังไม่แน่นอนอีกนะอาจจะเปลี่ยนใจได้อพอผ่าน36อสงไขย์ไปแล้วเนี่ยจึงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าโพธิสัตว์ตนนี้เนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้า ยังต้องบำเพ็ญบารมีไปอีก16อสงไขยครบ80อสงไขยพอดีพระพุทธเจ้าประเภทนี้เรียกว่าวิริยาทิกะจะอุบัติขึ้นในสมัยที่มนุษย์โลกนี่อายุประมาณ 80,000- ื่นถ0งแสนปีเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดไม่อุบัติขึ้นในยุคที่มนุษย์มีอายุเกินหนึ่งแสนปีเพราะว่าคนไม่เห็นสัจธรรมของชีวิต กว่าจะแก่กว่าจะตายเนี่ยไม่เห็นพอพูดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยจะไม่เห็นว่ามันแก่ยังไงมันเจ็บยังไงมันทุกข์ยังไงไม่เคยเห็นเนีและก็จะไม่อบัติขึ้นในยุคที่มนุษย์มีอายุ ต, ต่ํากว่า100รปีเนีเพราะว่าคนจะไม่มีคุณธรรมแล้วเรียก ว, ว่าเป็นยุคที่วุ่นวายกลียุคยุคที่วุ่นวายยุคที่คนไม่ไม่สนใจเรื่องพระธรรม ถ้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่อุบัติเพราะว่าอายุของมนุษย์ในชมพูทวีปของเราเนี่ยต่ำสุดลงไปต่ําสุดถึง10ปีมีอายุไข10ปีและก็สูงสุดไปถึงหนึ่งอาศงไขปีเพราะว่าหนึ่งอาศงไขนี่มันนับไม่ท่วน น, นับไม่ไม่ครบนับจํานวนไม่ได้เรียวอาศงไข เ็บอก ว, ว่าเอาเลขหนึ่งตั้งแล้วเอาเขียนเลขศูนย์ต่อจะต่อท้ายเลขหนึ่งไป140ี่ตัวเป็นหนึ่งอาสงไข่เนี่ยนับได้กี่ล้านล้านปีนี่มันยาวนานมากมนุษย์ชมพูทวีปของเรานี่จะขึ้นขึ้ น, นลงลงช่วงนี้ขาลงร้อยปีลงปีหนึ่งร้อยปีลงปีหนึ่งไปจนถึง10ปีคนเกิดมามีอายุ3ามสี่ขวบก็แต่งงานมีครอบครัวกันแล้วสมสู่กันไม่รู้ว่าใครเป็นใคร สมสู่กันอายุคนก็จะเดือดร้อนโลกก็จะเต็มไปด้วยมนุษย์เดือดร้อนเนี่ยแล้วก็พอจากนั้นก็ขึ้นไปร้อปีขึ้นปี100ปีขึ้นปีหนึ่ ง, ปปงไปจนถึงอสงไขยปีขึ้นขึ้ น, นลงลงอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมนุษย์ในชมพูทวีปของเรานั้นพระพุทธเจ้าจะก่อุบัติขึ้นภายในร้อยถึงหนึ่งแปีนะอย่างพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะเนี่ยก็จะอุบัติขึ้นในยุคที่มนุษย์มีอายุ ข, ขยัยไม่เกิน 1,000 งแปี พระพุทธเจ้าประเภทที่สองเรียกว่าศรัทธาทิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาทิกะครึ่งหนึ่งคือ4ี่สิบอสงไข่สี่สิบอสงไข่สิบสี่อสงไขยแรกเนี่ยตั้งไว้ในใจตั้งความปรารถนาไว้ในใจว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกใครอพอยีอ่สิบเจ27อสงไข่กลาง สิอสงไข่กลางก็จะประกาศบอกแก่ใครใครเอาสิอสงไข่กลางนี้จะประกาศบอกแก่ใครใค ร, ใครว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าพราะผ่าน18อสงไข่กลางไปแล้วก็จะได้รับพุท ธ, ธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ า, นาแน่นอนนี่ก็จะบําเพ็ญบารมีอีก8อสงไข่ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทสัตสัทธาธิกะอันนี้ก็พระพุทธเจ้าประเภทนี้ก็จะอุบัติขึ้นในยุคที่มนุษย์ มีอายุขไขเป็นหมื่นปีอาจจะ3 0 0 0 0ีปีเช่นพระพุทธเจ้าพระนามวัคตสปะที่ผ่านมาเนี่ยก่อนพุทธเจ้าของเร า, าซึ่งมีประวัติเล่าพิสูรุ่มหนึ่งบำเพ็ญบารมีบวชมาสอง0 0ื่นปีบวชมา 20,000 ปีแต่ว่าต้องไปเป็นพญานาคเนื่องจากผิดอบัตอย่างใดอย่างหนึ่งไปเด็ดใบแต่ใคร้น้ำไปขวา้าใบแต่ใคร้น้ำขาดติดมือไปไม่ได้ปรงอบัต นะพอตายไปก็ไม่เกิดเป็นพญานาะคนะบวชมาสองหมื่นปีเกิดในยุคที่พระพุทธเจ้ามีอายุขัยเป็นหมื่นปีแต่พระพุทธเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าโคโดมของเราเนี่ยเป็นประเภทปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีรวมได้ยี่สิบอสงไขยเจดอสงไขยแรกเนี่ยยังไม่ได้บอกใครว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งไว้ในใจเฉยๆสร้างคุณความดีมา อพอผ่านเจตอสงไขยไปแล้วเริ่มมั่นใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนจะไม่กลับแล้วก็ประกาศบอกแก่คนทั้งหลายว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาอีกเก้าอสงไขยเก้าอสงไขยแต่ว่ายังไม่แน่นอนอาจจะได้เป็นก็ได้ไม่ได้เป็นก็ได้กลับใจเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่กิเลสมันพาไป แต่พอผ่านเก้าอสงไขกลางไปแล้วจึงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นพุทธเจ้าของเราได้รับพุทธพยากรณ์จากพุทธเจ้าทีปังก่อว่าโพธิสัตว์ตนนี้เนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอีกสี่อสงไขยข้างหน้านี้ก็สร้างบารมีมาอีกสี่อสงไขยจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาประกาศแก่เราได้ความชัยชนะเรียก ว, ว่า พุทธชยันตีหรือพุทธชยันโตได้ชัยชนะเมื่อวันวิสาขาบูชาอตอนที่พุทธเจ้าตรัสสรุนั่นน่ะเนี่ยสู้มาสู้กิเลสมาเรื่อยผลัดกันแพ้ผลัดกันชน ะ, ะบางชาติก็ชนะบางครั้งก็แพ้เป็นเรื่อยมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตมานี่ก็จนได้ตรัสรร้นุตตรสัมมาสัมพธิยาณ นั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเมื่อวันก่อนท่านพระอาจารย์มหาปณอมได้พูดถึงเรื่องการาบำเพ็ญบารมีจนชาติสุดท้ายก่อนชาติสุดท้ายเนี่ยพระองค์เกิดเป็นพราหม์เรียกว่าเสตะเกตุพราหมนะเสตะเกตุพราหม์แปลว่าพราหมณ์ผู้มีธงขาวาบำเพ็ญบารมีต่างๆเรื่อยมาพอตายจากชาติที่เป็นเสตะเกตุพราหมณ์แล้ว ก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรในภพดุสิตรเรียกว่าเสตะเกตุเทพบุตรแปลว่าเทพบุตรผู้มีธงขาวาก็อยู่มาจนถึงยุคสมัยอันสมควรเทวดาและพรหมทั้งหลายเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เสตะเกตุเทพบุตรเนี่ยจะลงเมาบัดเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพากันไปอัญเชิญ เทพประบุให้ม า, าปฏิสนธิในคันมารดานี่คำว่าปฏิสนธิเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดกัน เ, เพราะจุติลงม า, าลงมาจุติที่จริงว่าคําว่าจุติแปลว่าตายคือเคลื่อนเคลื่อนจากภบชาติแต่ว่าคําว่าปฏิสนธิหมายถึงการเกิดใหม่การเกิดใหม่ในคันมารดาหรือการเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ปฏิสนธิแบบไหนปฏิสนธิก็มีสอย่าง เรียกว่าชลาพุชะปฏิสนธิเกิดในมดโลกูกเป็นตัวคนในมดลกูกอย่างเช่นเราเป็นมนุษย์ทั้งหลายเราฉลาพุชะปฏิสนธิปฏิสนธิบางอย่างเรียกว่าอันดยชาปฏิสนธิเกิดในไขนะ่เกิดในฟองไข่ก่อนแล้วฟักออกมาเป็นตัวทีหลังประเภทที่สมเรียกว่าสังเสริชาปฏิสนธิเกิดในที่ชื้นแฉะในที่เท้าใครเช่นพวกเชื้อโรคต่างๆเกิดขึ้นแล้วค่อยเจริญเติบโตขึ้นมา และก็โอปปาตทิกะปฏิสันธิกเกิดผุดขึ้นโตขึ้นทันทีเช่นพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยนี่เรียก ว, ว่าพวกปฏิสนธินั้นการมาถือปฏิสนธิในคันมานดาของพระพุทธเจ้าของเรานะในวันวิสาขาบูชาก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สี่สิบปีเนี่ยนะสามสิบห้าปีนะก่อนตรัสรู้นี่ก็ถือปฏิสนธิเป็นเรียก ว, ว่าเป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์มาถือปฏิสันธิเนี่ย แล้วก็จนประสูตรออกมาประสูตรออกมาแล้วก็ได้เปล่งวาจาว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกอัคโคหามัสสมิโลกัสเซธโธหามัสสมิโลกัสเชธโธอมัสมิโลกัสอะยามันติมาชาตินัตถานิปุณนาโวติเพราะว่าเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว ชาติต่อไปการเกิดใหม่ของเราจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยขนาดเรียกว่าเพิ่งเกิดใหม่ก็สามารถที่จะประกาศตนเองมั่นใจตนเองว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นชาติสุดท้ายแลนะประกาศความมั่นใจของตนเองนั้นพอพระองค์มาถือเอ่อมาเกิดใหม่ในโลกนี้ก็จะมีนิมิตหมายต่างๆที่ให้เกิดอ่าให้รู้ให้เข้าใจ และพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มีบา ร, รมีแก่กล้าแล้วเนี่ยพอเกิดขึ้นมาจะระลึกชาติได้นั้นการระลึกชาติได้ของคนทั้งหลายก็มีบางคนเป็นปุถิชนธรรมดาแต่พอตายแล้ว เ, เกิดใหม่ตายจากมนุษโลกแล้วมาเกิดใหม่หรือตายจากที่ต่างๆแล้วมาเกิดใหม่ในขณะที่ยังจำาพชาติเก่าด้ยก็สามารถระลึกชาติได้ ความเป็นปุกเพกเพนิวาสาานุสติญาณเนี่ยก็สามารถระลึกได้มีหลายคนอย่างที่บ้านก็มีมีคนป้าคนหนึ่งที่บ้านชื่อว่าป้าหอมแต่ก่อนนี้เือเป็นลูกคนตาเป็นพี่ของโยมแม่พอแกอายุได้ประมาณเก้าขวบสิบขวบก็ตายพอตายไฟแกมาเกิดใหม่ก็เกิดในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเก่าประมาณสักหเมตรได้เกิดใหม่ พอเกิดขึ้นมาพอคลอดออกมารู้เดียงสาเวลาแกเดินไปไหนไปเจอตาที่เป็นพ่อเกา่าแกจะเรียกพ่อพ่ อ, พอวิ่งตามไปวิ่งตามตาไปบกตาตามตาไปถึงบ้านไปค้นดูในห้องว่าอันไหนผ้าถุงของหนูอันไหนเสื้อของหนูอันไหนของของหนูบอกหมดเลยว่ามีอะไรอยู่บ้างเนี่ยระลึกชาติได้เพราะว่าตายแล้วเกิดใหม่ทันทีนแต่ว่าที่เรายัางระลึกไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ไปพบภูมิไหนบ้าง ผ่านขุมนรกมากี่ขุม500รอกว่าขุมเนี่ยเราไม่รู้ผ่านมาอะไรบ้างเป็นเปรตไม่รู้มากี่ขุมกี่ประเภทเปรต21จําพวกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมาบ้างอ่าเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นเราจึงระลึกไม่ได้เพราะว่ามันหลายภพภูมิแค่ชาตินี้ชาติเดียวเราก็ยังจําไม่ได้แล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหรือตั้งแต่เล็กมาเรามีทําอะไรบ้างไปที่ไหนบ้าง เราก็จำไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นอย่ า, ยาว่าแต่ระหว่างภพระหว่างชาติเลยแม้แต่ชาตินี้ชาติเดียวเราก็ยังจำไม่ได้แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มีบา ร, รมีแก่กล้าแล้วนะ่ะเกิดมาในระลึกชาติได้ยกตัวอย่างพระเตมีไบ่ผู้เจ้าของเราตอนที่เป็นพระเตมีไบ้พขาเกิดมาก็ยังแบบอกพระบิดาอุ้มอยู่ในบนอยู่บนพระเพลานั่งอยู่บนตักของพระบิดาเนี่ยพระบิดาก็ตัดสินคดีความ ให้ฆ่าคนนั้นบ้างให้ลงโทษคนนี้บ้างให้ตัดมือตัดเท้าคนนั้นคนนี้พวกโจรทั้งหลายที่กระทำความผิดก็สั่งลงพระราชอาญานี้พระโพธิสัตว์เตมีเนี่ยก็นึกถึงรอริยอดีตชาติของพระองค์ว่าเมื่อชาติก่อนเป็นกษัตริย์แล้วก็ต้องทำกรรมอย่างนี้ต้องสั่งลงโทษคนนั้นต้องทำกรรมกับบุคคลนี้ตายไปแล้วก็ไปตกนรกหมกไหม กว่าจะพ้นจากนรกมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้อีกลําบากทงทุกทรมานในอบายภูมิเป็นเวลานานจึงคิดว่าถ้าพระองค์อยู่อย่างนี้อีกต้องเป็นกษัตริย์อีกแน่นอนและก็ไม่พ้นที่จะต้องทํากรรมอย่างนี้อีกจะต้องไปตกนรกอีกนี่ขนาดเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ว่าจะไม่ตกนรกตกนรกเหมือนกันอ่า พอพ้นจากนรกก็มาเวียนไหวแต่เกิดจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะไม่จึงจะพ้นจากอบายภูมินั้น พ, พระเตวมีใบท่านก็เลยกลัวถ้าเราเป็นมนุษย์ดีๆยังไงราษสมบัติจะต้องตกมาเก่เราแน่นอนเราจะต้องทำกรรมอย่างนี้อีกฉะนั้นก็เลยทำเป็นใบทำเป็นง่อยเปรี้ยทำเป็น เ, เป็นคน เ, เรียก ว, ว่าอมมาพฤึกอมมาพาเพื่อไม่ให้เป็นกษัตริย์ จนพระบิดาเอาให้เอาไปทิ้งให้เอาไปฝังที่ป่าได้อิสระภาพก็เลยออกบวชออกบวชเพราะว่าไม่อยากเป็นกษัตริย์นั่นเองนี่เรียกว่าการทะลึกชาติได้นั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าพอเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์เกิดมากระลึกชาติได้ก็ทําให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะสืบสารบารมีไปได้เราอาจจะสงสัยว่าพอตายพอเกิดแล้วก็ตายตายไปแล้วก็เกิดใหม่ก็ไม่จําอะไรไม่ได้ ทำไมจึงว่าสร้างบา ร, รมีได้จนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระสาวกเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าอํานาจของบา ร, รมีทำเนี่ยมันอยู่ลึกฝังลึกอยู่ในขันธสันดานของเราฉะนั้นคนเกิดมาแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันบางคนเกิดมามีจิตสํานึกที่ดีมีสิ่งอะไรที่จะต้องทําคิดว่าเกิดมาเป็น มีชีวิตอยู่ชาตินี้จะต้องทําอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นบ้างนี่เรียกว่าคนที่มีบารมีแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไม่ได้ใครสั่งสมบารมีฉะนั้นบารมีทำจึอเป็นสิ่งที่สืบเนื่องระหว่างพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็สืบสารบารมีมาพอมาเกิดอีกชาติใหม่บางทีเป็นสัตว์เลระฉานแต่ว่าจิตสํานึกเรียกว่าธรรมะสัญญามี เมื่อมีธรรมสัญญาแล้วก็ทําให้พระองค์เนี่ยสามารถที่จะกระทําความดีได้แม้แต่เป็นสัตว์เลี้ยงฉานก็ตามหรือเป็นอะไรก็ตามก็สามารถสืบสารบารมีไปได้นั้นมาในชาตินี้พอพระองค์ได้มาเกิดเป็นชาติสุดท้ายเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ยกตอนที่อายุหขวบในพระบิดาพาไปประกอบพิธีแรกนาขวัญ จ, ด พ, จดพระนังคันแรกนาขวันไปดูพิธีเพราะว่ากษัตริย์สมัยก่อนนี่ต้องทำนาสมัยสมัยก่อนทานาโดยเฉพาะพระโอรสของพระเจ้าสีห า, หานุเนี่ยพระเจ้าปู่ของพุทธเจ้าเนี่ยจะใส่ชื่อข้างหลังว่าโอธนะและ ว, ว่าเข้าสุขเหมือนกันมีสุดโทธนาะพระพุทธบิดาสุโกธนะพระเจ้าอาคนรองมาอมิโตธนะ คณิโตธนาะโทโตธนะมีแต่ชื่อโอธนาะโอธนาข้างหลังแปลว่าข้าวเนี่ยนี่เรียกว่าเรื่องการทำนาฉะนั้นก็เลยพาไปดูพิธีการว่าจะได้ต่อไปเนี่ยจะได้สืบทอดอการประเพณีของตระกูลต่อไปอเพราะว่าพระพุทธบิดาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้โอรสเนี่ยสืบราชสมบัติตั้งแต่ได้ยินคำทำํานายจากกาลเดวินดาวด แล้วก็ควนธัญญะดาวบทหรือพราหมณ์เจดคนพรามณ์แปดคนที่ทำนายพระองค์ก็หวาดหวั่นพระไทยว่ากลัวพระโอรสเนี่ยจะออกบวชไม่มีใครครองราชสมบัติสืราชสมบัติต่อไปก็พยายามาทำทุกวิถีการที่จะโน้มน้าวพระไทยของพระโอรสให้อยู่ครองราชสมบัติให้ยินดีในกามคุณให้ได้จึงพยายามทำความสุขให้ทุกอย่างาหาความสุขให้ทุกอย่างเลย แต่ว่าพระโพธิสัตว์ผู้สร้างบารมีมาแล้วไม่มีใครขวางได้เมื่อชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็ต้องเป็นชาติสุดท้ายไม่มีใครขวางได้และไม่มีอะไรจะมาเอ็นเอียงจิตใจไปได้นั้นตอนที่ไปแรงนาขวัญก็พระบิดาก็จัดทําม่านให้อยู่ทําพระเพลา ท, ที่ที่ประทับของพระโอรสแล้วกัที่ต้นต้นว่าเจ้าชายศสด็จ ถ, ถพอพระพิน พี่เลี้ยงออกไปดูงานแรกนาขวัญก็เลยทำสมาธิอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยฝึกทำสมาธิทำฌานได้ปฐมฌานได้ความสงบเย็นทำให้เกิดเหตุอัศจรรย์ตรงนั้นว่าพอตะวันคล้อยไปแล้วแต่ว่าร่มเงาของต้นว่าใหญ่ก็ยังปกคลุมพร ะ, ะเจ้าชายชิตาถให้ได้รับความสุขความร่มเย็นไม่ให้แดดให้ลมมากระทบพระวรกายได้เป็นเหตุอัศจรรย์เนี่ยได้ตั้งแต่ หาอายุห้าขวบแล้วก็จนออกบวชแล้วไปเรียนศิลปะวิทยาการกับท่านอาราลดาบทอุตกะดาวบทได้ชาญสมาบัตร8ดได้อภิญญาหเรียวโลกิยอาอภิญญานั้นก็ผู้ที่ได้อภิญญาก็มีปุเพนิวาส า, านุสติญาสามารถระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ว่าชาตินั้นเป็นอย่างนั้นงั้นแต่ว่าไม่กว้างขวางไม่ละเอียด เพราะว่าบุคคลที่ระลึกชาติได้อย่างที่ว่าไปแล้วพุทธชนก็สามารถระลึกชาติได้เป็นบางชาติและก็พวกฤๅษีชีพไพรนอกพระพุทธศาสนานี่สามารถระลึกได้ถึง40มหากับอย่างมากพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอัครส า, าวกสามารถะลึกได้เป็นอสงไขยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยบรละลึกชาติได้ไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าอนันตชาต ไม่มีที่สิ้นสุดทั้งของพระองค์เองด้วยทั้งของบุคคลอื่นด้วยเนี่ยความระลึกชาติได้นั้นปุเพนิวาสานุสติยานพระองค์ก็สามารถระลึกได้ย้อนกลับไปพอตรัสรุนุตรสัมมาสัมโพธิยานก็ระลึกย้อนกลับไปว่าเกิดเป็นอะไรบ้างจากพบนั้นสู่พบโนนจากพบโนนสู่พบโนนมีฐานะเป็นอย่างไรมีผิวพรรณเป็นอย่างไรมีชีวิตจิตใจเป็นอย่างไรเนี่ย สามารถระลึกชาติได้ด้วยอํานาจของปุเพนิวาสานุสติยานน่ยจนมาได้ตรัสรูนุตรสัมมาสัมโพธิยานในปฐมยามเนี่ยได้ปุเพนิวาสานุสติยานอย่างแท้จริงคือระลึกได้ทั้งหมดระลึกได้อย่างกว้างไกลระลึกได้ทั่วถึงทั้งหมดทั้งของพระ อ, องค์เองและของสัตว์ทั้งหลายและก็มาสู่จุดตูปปาปาตยานที่เป็นหัวข้อเทศนาในวันนี้ต่อจากเท้าวความจาก ท่านพระอาจารย์มหาปนอมที่ได้ผุกเพรนิวาสานุสติญาณไปแล้วพอมาถึงมัดชิมยามพระองค์ก็ได้จุตูปปาตาญาณจุตูปปาตาญาณก็มาจากคําว่าจุติโบกอุปาอุปาทะจุติแปลว่าการเคลื่อนจากพบเก่าอุปาทะแปลว่าการเกิดใหม่ในพบปัจจุบันนั้นสัตว์ที่ตายแล้วก็มาเกิดใหม่ พระองค์<แฟ> <ình> จึงได้ทรงทราบว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยก็มาจากภพเภสติวานุสติญาณนั่นแหละจึงทําให้พระองค์ได้รู้จุตัวปาติญานว่าคนตายจากภพชาตินั้นด้วยบาปด้วยกรรมที่เกิดมาในชาติก่อนแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างตามแต่กรรมที่บุคคลนั้นกิดทาไว์เวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างเนี้ย จนถึงปัตชิมยามพระองค์จึงได้อาสะวะขยายานอาสะวะขยายานนี่ได้เฉพาะบุคคลที่เป็นพระอระหันต์เท่านั้นพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระนาคามีหรือผูดด้ใดที่ได้ฌานได้ภิญญาเนี่ยไม่สามารถมียานข้อนี้ได้เพราะว่ายานข้อนี้หมายถึงว่าบุคคลนั้นสิ้นอาสะวะกิเลสเหตุที่เราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏทั้งหลายก็เพราะว่าตัวอาสะวะนี่แหละ อาสวะเลยว่าเครื่องหมักดองสันดาลของสัตว์ทั้งหลายเปรียบเสมือนสุราหรือของมึนเมาใครที่เคยดื่มสุราก็จะรู้ว่าพอมึ น, พ อ, มนพอเมาไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสติสัมปชัญญะที่เคยมีก็หมดไปความละอายที่เคยมีก็หมดไปเพราะว่าตัวอาสวะคือเหล้าเนี่ยมันทําให้เมาโดยไม่รู้สึกตัวทาให้ขาดสติ นั้นตัวอาสวะกิเลสมันเมายิ่งกว่าเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆเชื่อีกของเมาอย่างอื่นเนี่ยพอไม่นานมันก็สางหายไปมันก็หายเมาแต่ว่าตัวกิเลสที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายเมาในสังสารวัตเนี่ยมันเมาตลอดชาติก่อนก็เมาชาตินี้ก็เมาชาติต่อๆไปถ้ายังเกิดอีกก็จะเมาต่อไปเรื่อยๆอีกมีสี่ตัวด้วยกันหนึ่งกามาสวะ เครื่องหมักดองคือกามความยินดีความพอใจความทยานอยากในอารมณ์ที่เป็นกามทั้งหลายคือรูปรูปอันน่าชอบใจทางตาเสียงอันน่าชอบใจทางหูกลิ่นอันน่าชอบใจทางจมูกรสอันน่าชอบใจทางลิ้นสิ่งกระทบสัมผัสอันน่าชอบใจทางกายและกับความรู้สึกนึกคิดต่างๆอันน่าชอบใจทางใจ เราวนเวียนหลงเมาอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ทางทวารทั้งหในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเราเมาไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยสร้างบ้างหรื อ, อยัง <c oughs> เนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเมาไปกี่ครั้งแล้วเมาอะไรไปบ้างเนี่ยนี่มันรวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเรียตัวกา ม, มาสะวะสองภาวาสะวะเมา ความเป็นน่นเป็นนี่ยศตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติคุณต่างๆที่เป็นเครื่องย้อมใจต่างต่างตลอดถึงภพภูมิไปเกิดในภพไหนก็เมาในภพนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกประเภทที่เกิดมาแล้วพอเกิดใหม่เรียกว่าตัวภวะนิกันติตันหาเกิดก่อนเลยจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิสนธิจิตเกิดแล้วความรู้สึกครั้งแรกของสัตว์ทั้งหลายคือภาวะนิกนติตันหา ความยินดีพอใจในภพในภูมิแม้จะไปเกิดในสัตว์นรกก็มีภวะนิกติตันหาเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมทั้งหลายมีตัวภาวะนิกรติตันหาคือความยินดีพอใจในภพภูมิใหม่ที่ตนเองเกิดเนี่ยยินดีทั้นนั้นอ่ะตัวภวะตันหาเรียกว่าภาวะสวัสด์ความหมักดองสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ให้หลงไหลยอยู่ในภพภูมิต่างๆสมทิฏฐาสวะ เครื่องมักดองคือความเห็นผิดเพราะว่ากิเลสในใจเรายังมีทิฏฐานุสัยคืออนุสัยกิเลสเป็นความเห็นผิดในใจเรามีฉะนั้นเวลาเรารับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับอารมณ์ทางทวารทั้งหกในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็เมาไปตามทิฏฐาวะเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของสวยงามเป็นของเที่ยงแท้ เป็นของมั่นคงเป็นของมีสาระเก่็สารนีล่ล้วนแต่เป็นความเมาเท่านั้นเมาด้วยอานาจของทิศขาสะวะจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพื่อไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยและก็อันดับที่สี่ตัวร้ายตัวเมาที่ร้ายที่สุดเนี่ยคืออวิชชาสะวะความเมาสิงมมเมาคืออวิชชาคือความไม่รู้ ในสัจธรรมตามความเป็นจริงเมาไม่รู้ในสิ่งต่างๆไม่รู้ว่าการเกิดมาเป็นทุกข์ไม่รู้ว่าตัวสมุทัยคือตัณหาความทยานอยากเนี่ยพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่รู้พระนิพพานว่าเป็นความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติที่จะไปสู่ความดับทุกข์ได้คือไม่รู้ในสัจธรรมที่ความเป็นจริงรู้แต่สิ่งที่ไม่ควรรู้ แต่ว่าไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้คือไม่รู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เนี่ยไปรู้ในสิ่งที่พุทธเจ้าว่าไม่ควรจะให้รู้เนี่ยที่สัตว์ทั้งหลายเพราะว่าถูกอวิชชาซึ่งเป็นหัวหน้าของอาสวะทั้งหมดเนี่ยมันหมักดองแล้วมันทำให้เราเมาเมาแล้วก็ไหลไปสู่สังสารวัตต่างๆฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยอาสวะยังไม่สิ้นไป ยังต้องเวียนวไหวตายเกิดอีกแม้แต่เป็นโสดาบันก็ต้องเกิดอย่างน้อยอีกเจอย่างมากอีกเจชาติพระสกิทาคามีก็ต้องมาเกิดอีกเกิดในภพภูมิกามโลกอีกหนึ่งชาติแล้วก็เวียนสู่พรหมโลกอรูปพรหมยังไม่พ้นเป็นอนาคามีถึงจะไม่เกิดในกามโลกแต่ต้องไปเกิดในพรหมโลกอีกจนถึงเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์ท่านเรียกว่าพระขี่นาศ แปลว่าผู้สิ้นอาสะวะคือสิ้นโอคะแล้วสิ้นอาสะวะกิเลสเรียกว่าพระขีนาศพหรือขีนาสะวะภาษาบาลีเรียกว่าขีนาสโวโอผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วฉะนั้นตัวอาสะวะขยะอาพิญญาเนี่ยจึงมีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงทราบทรงรู้โดยกระจ่างแจ้งทรงแทงตลอดในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเพราะไม่มีอะไรปิดกัน้นพระองค์แล้ว ไม่มีอะไรทำให้พระองค์มึนเมาอารมณ์ที่เป็นของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็ตามอารมณ์ที่เป็นทิฟก็ตามเนี่ยพระองค์ไม่มีการหลงมุมมายหลงมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นอีกแม้พระสาวกของพระองค์ตอนที่พระองค์ส่งไปประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกนี่หสบรูปนี่พระองค์ก็ตรัสมาเรียกแล้วก็มาเตือนว่าพิสูจน์ทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งบวง ท, งทั้งที่เป็นของมนุษย์ ท, ทั้งที่เป็นของทิฟ เธอทั้งหลายก็เหมือนกันนั้นเธอทั้งหลายจงเที่ยวจะริกไปสู่นิคมชนบทน้อยใหญ่จงแสดงทำอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์อันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยเนี่ยพระองค์รู้ว่าพระสาวกของพระองค์สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเป็นผู้ที่ว่าไม่ต้องมีไม่มีภัยอีกแล้วไม่มีอะไรมาทําให้หลงให้มัวเมาอีกแล้ว แต่ว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่น่ยยังหลงยังมัวเมวอาอย่างทุกวันนี่มีพระที่เป็นฝ่ายเผยแพ่าศาสน า, าพระธรรมทูตต่างๆเนี่ยไปประกาศพระาศาสนาแต่ว่ายังไม่สิ้นอาสวะกิเลสนั้นจึงมีปัญหาบ้างมีปัญหามีอุปสรรคมีภัยต่างๆต้องละจากเพศพรหมจรรย์บ้างต้องเปลี่ยนาศาสนาบ้างอะไรต่างๆเนี่ย เพราะว่ายังมีกิเลสยังมีอาสวะหมักทาให้หลงทําให้เมาได้แต่ว่าพระขีณาสพที่พระพุทธเจ้าทรงไปประกาศพระศาสนาเนี่ยไม่มีภัยไม่มีอะไรแล้วก็สามารถประกาศพระศาสนาได้สําเร็จนี่เรีย ว, ว่าตัวอาสวะขยะอภิญญานั้นในเรื่องของการตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นอาสวะเนี่ยก็เป็นไปตามกฎของกรรมใครทํากรรมดีก็ได้ไปถือปฏิสนธิในภพภูมิที่ดี ได้อยู่ในภพภูมิที่ดีถ้าใครทคำกรรมไม่ดีก็ไปสือปฏิสนธิคือการเกิดใหม่ในพภพภูไม่ดีอ่จิตดวงหนึ่งดับไปแล้วปรากฏให้จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นต่อที่จริงสัตว์ก็ความเป็นสัตบุคคลก็จบลงแค่หนึ่งชีวิตแต่ว่าเพราะความสืบเนื่องแห่งเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่เป็นคล้ายคลึงกันทาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนจากจุติหนึ่ง ไปสู่ปฏิสนธิอีกภพภูมิหนึ่งเปลี่ยนจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งแต่ว่าย่งมันเป็นความสืบเนื่องเหมือนกับคนคนเดียวกันเหมือนคนเดิมเ ว, วียนไหวตายเกิดปฏิสนธิและจุติอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นอาสวะกิเลสเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจึงจะหมดสิ้นจากการเวียนไหวตายเกิดนี้ได้และก็ สรุปแล้วก็คือกรรมบรรดาให้เป็นไปนั่นเองอย่างที่ว่าไปแล้วสัตว์ทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นบางคนก็ได้เกิดมาดีบางคนก็เกิดมาไม่ดีบางคนเกิดมาดีแต่วิถีชีวิตในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะต้องประสบกับสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ความพิบัติต่างๆก็มีบางคนเกิดมาไม่ดีแต่ว่า ชีวิตในระหว่างที่มีชีวิตอยู่อาจจะพัฒนาขึ้นหรือโชคชะตาวาสนาพาไปให้ดีได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับกรรมเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่ละเอียดมากต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆกรรมมีหลายอย่างหลายหน้าที่หลายวาร ะ, ะซึ่งเราพิจารณาตามได้ยากแต่พระพุทธเจ้าของเราเนทรงเป็นกรรมมาวธีมีปกติจําแนกแจกจ่ายเรื่องกฎของกรรม ว่าสัตว์ทั้งหลายจะเลวหรือประณีตได้เพราะกรรมไม่มีไม่ใช่ดีเพราะชาติกําเนิดไม่ใช่ดีเพราะวงตระกูลแต่ว่าเป็นไปตามกฎของกรรมถึงคนจะเกิดในตระกูลดีแต่ถ้ากรรมไม่ดีแล้วก็ไม่ดีตามไปด้วยคนเกิดตระกูลไม่ดีแต่ถ้าทํากรรมดีก็ชื่อว่าดีตามไปด้วย อ, อาจจะไม่ยังไม่ได้ดีในชาตินี้แต่ต้องดีในชาติหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราสังวรไว้ว่า ทำดีต้องได้ดีแน่นอนทำชั่วต้องได้ชั่วแน่นอนการที่เราเกิดมาในชาตินี้เราได้ดีเรามีความสุขในอัตภาพของมนุษย์ก็เพราะว่ากรรมดีของเราในชาติปางก่อนแต่ถ้าเราชาตินี้เราทําไม่ดีประมาทพลาดพลัง้งทําอกุศลกรรมก็หวังได้ว่าชาติหน้าต่อไปเราก็ต้องประสบกับเพราะกรรมต่างๆเหมือนกับ พระพุทธเจ้าของเราก็ประสบมาแล้วในขณะที่สร้างบารมีก็ประสบทั้งกรรมดีกรรมชั่วมามากมายถ้าใครอ่านในชาดกหรือฟังเทศต่างๆก็จะเห็นต่างๆว่าพระองค์แม้แต่ชาตินี้ก็ต้องประสบเคราะหกรรมต่างๆที่เป็นผลของบุญบ้างผลของบาปบ้างไม่เว้นไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เว้นบานทีถูกด่าเจวันเจ็คืนยิ่งกว่าเราอเองสมัยถูกนางมาคันธยา มเหสีของพระเจ้าอุเทนเมืองโกสมตีจ้างทาทกรรมกรด่าเจวันเจดคืนก็มีถูกประทุษร้ายต่างต่าเช่นถูกนายขมังธนูยิงถูกพระเจ้าทวทัตคลิ้งหินมาทับ พ, พระบาทเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นจากกรรมนี่เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเป็นเรื่องที่สําคัญในหลักของสังสารวัตรนั้นว่าเรื่องกรรมไม่ใช่ว่าเรื่องพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมามาสอนไม่ใช่ แต่ว่าเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมดากฎหลักสากลเพียงแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้กฎของจากกลข้อนี้แล้วนํามาบอกเราทั้งหลายนํามาสอนเราให้รู้ตามได้ให้ปฏิบัติตามใครอยากหลุดพ้นจากกรรมก็ต้องปฏิบัติตามหลักคําสอนพุทธเจ้าและก็เรียนรู้กฎของกรรมให้เข้าใจกรรมบางอย่างก็พาเรามาเกิดกรรมบางอย่างก็ช่วยอุดหนุนให้เรามีชีวิตอยู่ กรรมบางอย่างก็เบียดเบียนบัญทอนชีวิตของเราให้ทุกุรภาพกรรมบางอย่างก็ตัดรอนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้จบลงเนี่ยมีกรรมหลายกรรมซึ่งพูดกันไม่จบ เ, เป็นต้องพูดเป็นวันถึงจะจบเรื่องกรรมได้ฉะนั้นก็ในวันนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดง เ, เรื่องพระธรรมเทศนาในเรื่องกรรมบันดาลได้บรนว่า บันดาลไปในเรื่องใดบ้างคือเรื่องการตายการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตก็เพราะว่าอาสะวะกิเลสของเราที่หมักดองเราทำให้เราเมาเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านละอาสะวะกิเลสสิ้นแล้วท่านจึงเวียนว่ายตายเกิดลงได้นั้นสัตว์ทั้งหลายเกิดมาก็เพราะว่าอาสะวะผาเกิดเป็นไปได้ตามกฎของอาสะวะ และสิ้นสุดได้ก็เพราะว่าสิ้นอาสวะกิเลสนั่นเองฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะในท้ายนี้ก็จะให้ท่านถามปัญหาบ้างมีใครถามปัญหาขอนามัส์ ก, การพระอาจารย์อยจ ะ, จะ hmm. ขอเพิ่มเติมเรื่องประเภทของกรรมเข้าๆนะ่ะค่ะ hmm. ว่ามีกี่ประเภทและส่งผลอย่างไรคร่ะ ประเภทของกรรมนี่ก็พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทั้งหมดก็มีกรรม16อย่างด้วยกันสิ่งที่เป็นตัวกรรมมีสี่อย่างก็คื อ, ก, รร อ, อกุศลกรรมอักุศลกรรมกามาวาจรกุศลกรรมที่เราทําอยู่เป็นประจำเรื่นงทานศีลภาวนารูปาวาจรกุศลกรรมผู้รูปประชานและก็อรูปาวจรกุศลกรรมผู้อรูปประชาน กรรมสี่ตัวนี่เรียกว่าตัวกรรมที่จะทําหน้าที่ในบทบาทต่างๆเรียกว่าในบทบาทของกรรมที่ว่าโดยหน้าที่เรียกว่ากิจเ จ, ะจะตุกะกรรมว่าโดยหน้าที่ก็มีสประเภทด้วยกันมีชนกกรรมคือนําสัตว์ทั้งหลายเกิดในภพภูมิต่างๆสองอุปถรมภกะกรรมกรรมที่อุดหนุนให้มีชีวิตอยู่ได้ในภพภูมินั้น สามอุปปีลิกกรรมหรืออุปปีรากกรรมกรรมที่เบียดเบียนบัน่ทนทอนชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในภพภูมินั้นให้ทุพพลภาพลงแต่ว่ายังไม่ตาย 4. อุปคาติกรรมหรืออุปคาตากกรรมเป็นกรรมที่ตัดรอนชีวิตสัตว์ทั้งหลายให้จบลงในภพภูมิหนึ่งหนึ่งนิวกรรมโดยหน้าที่สองกรรมโดยลำดับแห่งการให้ผล กรรมก็มี4ประเภทด้วยกันว่าโดยลำดับแห่งการให้ผลทำตัวหนึ่งเป็นครุกรรมกรรมหนักเช่นฝ่ายอากุศ ล, ลกรรมก็มีอนันตริยกรรมห้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันทำร้ายผู้ดุเจ้าหรือพวกนิยตมิจฉาทิฏฐิกรรมที่มีความเห็นผิดอย่างเหนียวนั่นนี่เป็นครุกรรมฝ่ายอากุศลให้ผลก่อนเลยตายลงก็ให้ผลทันทีส่วนฝ่ายกุศลก็พวกฌานสมาบัติทั้ง8ปดตั้งแต่ปฐมฌานถึง แนวว่าวสัญญานาสัญญาณชาญเนี่ยถ้าใครได้ชาญเหล่านี้แล้วถ้าไม่มีกรรมอื่นที่หนักไม่มีอากุศ ล, ลกรรมที่หนักตายไปก็ไปเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจของชาญนี่เรียกว่าครุกรรมตัวกรรมหนักที่ให้ผลก่อนเลยแต่ว่าครุกรรมฝ่ายอากุศลนี่จะมีกําลังมากกว่าครุกรรมฝ่ายกุศลถ้าใครได้ครุกรรมฝ่ายกุศลแล้วเช่นได้ชาญสมาบัติแต่ไปทําครุกรรมฝ่ายอากุศลเนี่ย ครุกรรมฝ่ายกุศลจะล้างทำลายอำนาจของครุกรรมฝ่ายกุศลให้หมดสิ้นไปยกตัวอย่างพระเทวทัตได้ฌานสมาบัติ8ได้อภินยาหแต่พอไปทำอานันตริยกรรมทำโลหิตวบาต ท, ทำร้ายพระพุทธเจ้ามีจิตคิ ด, คดอาฆาตในพระพุทธเจ้าฌานเสื่อมหมดเลยอภินยาก็หมดไม่สามารถแสดงที่แสดงเดชได้และก็ครุกรรมนั้นฌานสมาบัตินั้นไม่สามารถส่งผลให้ไปเกิดเป็นพรหมได้ ต้องไปตกนรกด้วยอำนาจครุกรรมฝ่ายอกุศลเนี่ยครุกรรมฝ่ายอกุศลจะมีกําลังแรงและไม่มีอะไรล้างผ่านได้ไม่สามารถล้างให้หมดได้เช่นพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทำอานันตริยกรรมฆ่าพระบิดาเรียกว่าปิดตุฆาตกรรมเนี่ยภายหลังมาทําบุญกุศลอย่างยิ่งใหญ่บํารุงอุปธรรมพุทธศาสนาทุกอย่างแต่ว่าไม่สามารถล้างได้ต้องไปตกนรกเหมือนกันเนี่ยครุกรรมฝ่ายอกุศลหนักไม่มีกรรมไหนห้ามได้ อสองอาสนกรรมกรรมที่ทำเวลาใกล้ตายเพราะว่าในเวลาใกล้ตายจิตมันใกล้ต่อมรณะใกล้ต่อภพชาติใหม่แล้วฉะนั้นมันจึงติดต่อกันไปคนที่ทำเวลาใกล้ตายถ้าทาดีเช่นเวลาใกล้ตายก็อาจจะนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีที่ตนเองได้ทำแล้วตายไปก็ไปเกิดในที่ดี แต่ถ้าเวลาใกล้ตายเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดความคิดที่ไม่ดีหรือกระทำกรรมที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งตายไปก็ต้องไปสู่ทุกติภูมินี่เรียกว่าเป็นอาสันนกรรมกรรมที่ทำเวลาใกล้ตายสามอาจินนกรรมกรรมที่ทาเป็นประจาหรือคิดเป็นประจำบางทีบางครั้งเราทำกรรมแค่ครั้งเดียวแต่เวลาผ่านไปหลายปียังนึกได้ยังคิดได้ กรรมนั้นยังตราตรึงในใจเราอยู่นี่เรียกว่าอาจินนกรรมกรรมที่ทำเป็นอาจินหรือคิดถึงเป็นอาจินก็สามารถให้ผลได้แล้วก็กระตั้ตากรรมบางกรรมบางอย่างเราไม่ได้สนใจทำหรือไม่ได้ตั้งใจทำแต่ว่ากรรมนั้นก็สามารถให้ผลได้นั้นตัวอาสันนกรรมอาจินนกรรมกระตัตากรรมที่ไม่ใช่ครุกรรมนั้นก็สามารถสลับลาดับให้ผลได้ ทั้งเวลาที่เรามีชีวิตอยู่หรือเวลาเราใกล้ตายใกล้จะจุดติเนี่ยเราไม่แน่ว่ากรรมไหนจะมาให้ผลกรรมไหนมีกําลังมากกรรมไหนมีโอกาสก่อนกรรมนั้นก็จะส่งผลให้นี่เรียกว่ากรรมที่ให้ผลตามลําดับนะครุกรรมให้ผลก่อนอาจินกนกรรมอาสนกรรมอาจินกนกรรมอาสนกรรมอาสลับกันลําดับกันได้ถ้าอาจินนกรรมมีกําลังมากกว่าก็จะแย่งโอกาสให้ผลของอาสนกรรม แต่ถ้าอ า, อาสันนกรรมมีโอกาสใกล้กว่ า, าก็จะให้ผลก่อนอาจินนกรรมท่านเปรียบเส ม, มือนวัวแก่กับวัวหนุ่มวัวแก่อยู่ใกล้ประตูคอกเหมือนอาสันนกรรมวัวหนุ่มอยู่เลยประตูค้อกเข้าไปอยู่ข้างในเปรียบเส ม, มือนอ า, อาจินนกรรมเวลานายโคบานเปิดประตูคอกออกมาวัวแก่ถ้าอยู่ใกล้ประตูค้อกก็จะถูกดันออกมาก่อนฉะนั้นจึงออกมาก่อนได้ แต่บางทีวัวหนุ่มกระโดดข้ามวัวแก่หรือดันวัวแก่ออกมาก่อนกระโดดข้ามคอกออกมาก่อนก็ได้นี่ตัวอาจินนักรรมกับอาสันนักรรมสามารถสลับอันดับให้ผลได้แต่ถ้าไม่มีกรรมสามอย่างข้างต้นคือไม่มีครุกรรมไม่มีอาจินนักรรมไม่มีอาสันนักรรมแล้วก็ตัดตากรรมกรรมที่ทําโดยไม่ได้จงใจไม่มีเจตนาในการกระทํานั้นก็สามารถส่งผลให้ได้ทั้งในเวลาเกิดและเวลาที่เกิดแล้วได้ และก็กรรมประเภทที่สกลุ่มที่3เรียกว่าปากะทานะปริยาปากะกาลปริยายะจตุกะคือกรรมที่ว่าโดยลำดับแห่งการให้ผลกรรมที่เราทำไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกรรมธรรมดาคือทานศีลภาวนาที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยให้ผลสามประเภทด้วยกันหนึ่งให้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนยกรรมคือให้ผลในชาติเนียที่เราทำกรรมอยู่ในชาตินี้ให้ผลในชาตินี้ แต่อาจจะให้ผลเบาถ้ากรรมนั้นเจตนาไม่รุนแรงหรือเหตุปัจจัยไม่สมบูรณ์ก็ให้ผลนิดหน่อยที่เราเห็นทางตาได้ยินทางหูดมกลิ่นทางจมูกถ้าเราทำดีก็ทำให้ได้รับรู้อารมณ์ที่ดีถ้าเราทำไม่ดีก็ทำให้ได้เรีบร ร, รู้อารมณ์ที่ไม่ดีนี่เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมแต่ถ้ากรรมหนักกรรมที่มีกาลังมากก็จะอาจให้ผลได้เต็มที่เช่นคนที่ทาบุญกับพระ อริยะที่ออกจากนิโรธสมาบัติได้ผลภายในเจ็ดวันร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือคนที่ประทุษร้ายพระอริยเจ้าเช่นทำร้ายพระพุทธเจ้าทำร้ายพระอริยสงฆ์ถูกธรณีสูกถูกลงพรหมทันถูกลงประชารันต่างๆนี่เรียก ว, ว่าเป็นกรรมที่หนักเหตุปัจจัยพร้อมแต่ว่าต้องให้ผลในชาตินี้เรียก ว, ว่าทิฏฐธรรมเวทนยกรรม แล้วก็ให้ผลในชาติที่สองเรียกว่าอุปปัชชะเวทนิยกรรมหลังจากตายจากพบชาติที่ทำกรรมแล้วไปเกิดใหม่ก็ให้ผลในชาติที่สองอแล้วก็ประเภทที่สเรียกว่าอัปราปรยะเวทนิยกรรมให้ผลตั้งแต่ชาติที่สามเป็นต้นไปได้โอกาสเมื่อไหร่มีช่องว่างเมื่อไหร่ได้จังหวะเมื่อไหร่ก็จะให้ผลในชาตินั้นทั้งให้ผลในเวลาเกิดและหลังจากเกิดแล้ว เรียกว่าอราพระเวทนิยกรรมจนกว่าบุคคลนั้นจะถึงนิพพานให้เรื่อยไปนั้นเราทำกรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งสำเร็จเป็นกรรมสามอย่างเป็นผลสามอย่างคือผลที่ให้ในชาตินี้ผลที่ให้ในชาติที่สองและก็ผลที่ให้ตั้งแต่ชาติที่สามเรื่อยไปจนกว่าจะถึงนิพพานพอหมดโอกาสในวาระของผลนั้นนั้นเรียกว่าอโหสิกรรม นั้นคาว่าโหสิกรรมเนี่ยแปลได้หลายความหมายกรรมนั้นให้ผลแล้วคือให้ผลตามวาระแล้วเช่นให้ผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมแล้วก็จบกันที่จะให้ผลในชาตินี้อพอให้ให้แล้วหรือยังไม่ได้ให้พอหมดโอกาสหมดเวลาแล้วก็หมดโอกาสที่จะให้แล้วในชาติที่สองถ้าไม่มีโอกาสให้ชาติที่สองก็เป็นอันโหสิกรรมไป ส่วนตั้งแต่ชาติที่สามเรื่อยไปพอเข้าสู่นิพพานแล้วไม่มีโอกาสให้ผลก็เป็นอโหสิรกรรมไปนี่เรียก ว, ว่าโหสิรกรรมหรือกรรมนั้นทำแล้วจะไม่ให้ผลเช่นเราทำซึ่งกรรมเราทำในชีวิตประจาวันของเราเนี่มากมายและกรรมที่จะให้ผลได้ก็ต้องชิงดี ช, งชิงเด่นกันชิงไว้ชิงพริบชิงโอกาสกันว่าอันไหนจะมีโอกาสให้ผล ส่วนอันไหนที่ไม่มีโอกาสให้ผลก็จะไม่มีโอกาสเลยก็เป็นอโหสิกรรมไปทั้งที่เราทำเสร็จแล้วน่ะเราจะเห็นว่าบางคนจะทำกรรมชั่วช้าสารพัดเลวซามแต่ทำไมไม่ได้ไม่ได้รับความชั่วเพราะว่ากรรมชั่วของเขาไม่มีโอกาสที่จะให้ผลเนื่องจากกรรมดีของเขายังให้ผลอยู่กรรมดีในชาติก่อนหรือชาติที่ก่อนๆ น, นั้นมานะ่ะยังให้ผล แก่เขาอยู่เขาจึงได้รับความสุขสบายทั้งที่ทํากรรมชั่วช้าสารพัดเนี่ยแต่ว่าได้รับความสุขสบายเนี่ยบางคนทําแต่กรรมดีแต่ไม่เคยมีความสุขเลยก็มีเพราะว่ากรรมชั่วในชาติบางก่อนมีโอกาสให้ผลแก่เขาเนีแต่ว่ากรรมเหล่านี้ก็ไม่หายไปไหนก็จะรอโอกาสต่อไปแต่ยังมีโอกาสในชาติต่อไปและก็ถ้าไม่มีโอกาสหมดแล้วก็เป็นอาโหสิกรรมนีเรียกว่ากรรมที่ให้ผลตามลําดับเวลา จึงแบ่งเป็นจากตัวคำสี่อย่างมาแบ่งเป็น3ประเภทประเภทให้ผลโดยหน้าที่ประเภทให้ผลตามลําดับและประเภทให้ผลตามการเวลากราบน้มัสการอาจารย์ครับ อ, อ, อยากจะสอบถามว่าจริงๆแล้วคําว่าเจ้ากรรมในเวรนี้มีความหมายอย่างไรครับถามไม่ไม่ชัดคําว่าเจ้ากรรมในเวรจริงๆแล้วมีความหมายอย่างไรครับ คำถามเนี่ยไปที่ไหนก็จะเจอที่นั่นถ้าเจ้ากรรมในเวรก็แบ่งเป็นสองประเภทคือเจ้ากรรมในเวรที่เป็นกรรมของเราเองอย่างที่ว่าไปแล้วเราทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องรับผลกรรมอันนั้นเราเป็นทายาทของกรรมเป็นเผ่าพันธ์ของกรรมเป็นพวกพ้องของกรรมนี่เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรของเราเมื่อฉะนั้นตัวที่เราทาอะไรไปแล้วน่ะก็จะให้ผลแก่เรา ส่วนเจ้ากรรมนายเวรภายนอกที่เป็นบุคคลอื่นนั้นก็มีคือเราเคยสร้างกรรมกับบุคคลใดเคยสร้างไม่ความไม่ดีไม่งามกับบุคคลใดไว้บุคคลนั้นก็มีโอกาสที่จะมาตามร้างผลาญมาตามราวีเราได้อาจจะเป็นเทวดาที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวนี้หรือเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรา คือเขามีอำนาจมีอำนาจเหนือเราสามารถทำเราได้ในสมัยพุทธกาลก็มีมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นเป็นหญิงหมัน่นเป็นหญิงหมั่นก็ไปหาผู้หญิงอื่นมาไม่เป็นไม่ให้เป็นภรรยาของสามีจะได้มีลกูกถ้าไม่งั้นตัวเองก็จะถูกสามีส่งกลับบ้านอันนี้ก็ไปหาสามีมาเพราะหาสามีมากลัวภรรยาใหม่จะเป็นใหญ่ ก็เลยปรุงยาให้ภรรยาใหม่กินให้ตกโลกอสองครั้งสามครั้งจนครั้งที่สามเนี่ยท้องแก่แล้วภรรยาใหม่ไม่บอกว่าตั้งทอง้องพอท้องแก่ก็เลยพอปรุงยาให้กินเนเด็กมันคลอดตกมาไม่ได้ก็เลยนอนขวางท้องนอนขวางช่องคลอดตายก่อนที่นางจะตายก็ตั้งความปรารถนาว่าชาตินี้เจ้าข่าเราพร้อมด้วยโลกของเรา เกิดต่อไปชาติหน้าขอให้เราได้ฆ่าเจ้าพร้อมด้วยลูกของเจ้าจากนั้นมาหญิงกุมาริกานั้นก็มาเกิดเป็นแม่แมวหญิงที่ตายทองกลมก็เกิดเป็นแม่แมวส่วนผู้หญิงที่ปรุงยาให้กินก็มาเกิดเป็นแม่ไก่พอไก่ตกไข่มาแมวก็มากินไก่จนไก่แอรไปตกไข่ไปฟักไข่แล้วก็ไปนอนกกแมวก็เลยกินทั้งแม่ไก่กินทั้งไข่ แม่ไก่ก่อนที่จะตายก็ตั้งความปรารถนาว่าชาตินี้เจ้ากินลูกของเราพร้อมด้วยตัวเราชาติหน้าต่อไปขอใหเรามีความสามารถกินเจ้าพร้อมด้วยลูกของเจ้าด้วยพอมาเกิดต่อไปแม่ไก่จำไม่ดีนะสลับลําดับแม่ไก่ก็มาเกิดเป็นแม่สื่อเหลืองนางแมวแม่แมวนี่ก็มาเกิดเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อคลอดลูกออกมา แม่เสือเหลืองก็มากินแม่เนื้อเอามากินตัวโรกเนื้อจนสุดท้ายแม่เนื้อปอกป้องโรกแม่เสือเหลืองก็เลยกินทั้งแม่เนื้อกินทั้งโรกเนื้อด้วยแม่เนื้อก่อนจะตายก็ตั้งความปรารถนาว่าชาตินี้เจ้ากินเรากินโรกของเราชาติหน้าขอให้เรามีความสามารถกินทั้งตัวเจ้ากินทั้งโรกของเจ้าด้วยแม่เนื้อก็มาเกิดเป็นนางยักษิชีนีแม่เสือเหลืองก็มาเกิดเป็นกุมาริกาในเมืองเสาวัตถี พอนางแต่งงานมีลูกออกมาคลอดโลูกเอกมาใหม่ๆแม่นางยักษิศีก็แปลงเพศเป็นเพื่อนหญิงมากินลูกของนางครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอครั้งที่สานามรู้ว่านางยักษิศีมากินลูกของนางก็เลยแอบไปไปคลอดลูกที่บ้านของแม่ของพ่อโดยที่ไม่ได้บอกใครนางยักษิศีก็ตามไป ในวันนั้นนางกําลังทํามงคลให้โลกตัดผมจุกตัดเล ไ, ไปอาบน้ําที่สระน้ํานางยักษ์ศีก็ตามไปพอนางเห็นนางยักษ์ศีก็วิ่งวิ่งไปให้สามีพ า, าวิ่งสามีก็มัวแต่ชักช้านางก็เลยวิ่งเข้าไปที่พระเชตวันวิ่งไปเชตวันก็เอาโลกไปวางไว้ที่บาทแทบบาทมูลของพระเจ้าบอกว่าขอพระองค์จงให้ชีวิตแก่โลกของหม่อมฉันด้วยนางยักษ์ศีตามมากินโลกของหม่อมฉัน นางยักษณีก็เลยตามมาพอว่าถึงวัดเทวดาเทวดาที่รักษากำแพงวัดรักษาสุมประตูก็ไม่ให้นางเข้าไปนางเข้าพระพุทธเจ้าก็เลยแผ่รัศมีไปแห่นางยักษณีและก็เทศว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันมาโอยพบชาติเพราะอำนาจของเวรเวรย่อมระ ง, งับเยเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรก็เลยเทศนาโปรดนางยักษณีก็เลยได้กิตสานึกขึ้นมา เลิกจองเวรกันตั้งแต่นั้นมาก็เลยผูกมิตรเป็นเพื่อนกันนางกุมาริกาเอานางยักษิณีไปเลี้ยงนางยักษณีก็ช่วยเหลื อ, อช่วยเหลือในการดูดินฟ้าอากาศนี่ก็เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันเคยสั่งสมเวรด้วยกัน